ถ้าเรามีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบทบททดสอบหนึ่งว่าเออเนี่ยตั้งแต่มีทิฏฐินี้มานะตั้งแต่มีความเห็นแบบนี้มาปิดอบายได้หรือยังเอาทิฏฐิตัวนี้พยุงฉันออกจากวัฏฏะด้วยนะโอ้ดีขนาดนั้นเลยนะคือต้องมาทบทวนนะว่าความเห็นของเราที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยใกล้ต่อสวรรค์มากไหมใกล้ต่อพระนิพพานไหมใกล้ชิดพระพุทธเจ้าขึ้นไหมเพราะผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ เขาจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าใกล้อย่างไรพระพุทธเจ้าเห็นอริยสัจเขาก็เห็นอริยสัจพระพุทธเจ้าพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็พิจารณาอย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นคือมีความเห็นเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นเป็นอันเดียวกันกับพระสาวกทั้งหลายวิธีสอบสวนว่าเราความเห็นของเราใช้ได้หรือไม่ได้ก็ไปดูว่าพระพุทธเจ้าในเรื่องนั้นท่านเห็นอย่างไรความเห็นของเราขัดกับพระองค์ไหม สาวกทั้งหลายท่านรู้เห็นอะไรแล้วเรามีความเห็นเนี่ยขัดแย้งท่านไหมอันนี้หมายความว่าต้องมีความซื่อสัตย์จริงๆเลยนะแล้วแล้วก็สังเกตอย่าง น, นใครเป็นสารณะของใครกันแน่พราะมีสมัยใหม่พยายามจะแก้ไขพระไตรปิฎกแก้ไขความเห็นของพระพุทธเจ้าพยายามจะแก้ไขความเห็นของพระเถระทั้งหลา ย, ท, ลายที่เป็นพระสังคีติกาจารผู้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ก็มาดัดแปลงว่าท่านเหล่านั้นพูดยังไม่ดีพอก็ต้องแก้ไขให้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะนทิฏฐินี่จึงเป็นสิ่งที่อันตรายในโลกพระพุทธเจ้าบอกว่าโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานสัตตสัญญาความสำคัญว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะความสำคัญว่าเป็นบุคคลเป็นชีวะชนิดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะ พวกเดียรถีเหล่านั้นถูกเครื่องผูกคือทิฏฐิผูกเอาไว้ถูกกระแสตันหาพัดพาไปเมื่อถูกกระแสตันหาพัดพาไปอยู่พวกเขาก็ไม่พ้นจากทุก น, นะก็คือเพราะอะไรเพราะทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่ตันหาตันหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิทั้งทิฏฐิและตันหาเรียกว่าอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติคำว่าทุกข์ในที่นี้แปลว่าเขาไม่พ้นไปจาก ชาติชรามมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นทิฏฐิเป็นปัจจัยเนี่ยจึงทํากรรมกรรมที่มิจฉาทิฏฐิบุคคลกระทําก็มีคติสองคือนรกกับเดรฉานก็ไปก็ไปเพิ่มบ่อปลาบ่อแล้วบ่อเล่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบอาชีพปลาเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่มีสัตว์ไปปฏิสนธิอยู่ในฟองปลาในไข่ปลาถ้าผสมพันธุ์ได้ดีถูกต้องเลยนะฟาร์มมีแต่เจริญเติบโตขึ้นเนี่ยนะ มีโยมคนหนึ่งเขาเลี้ยงปลาเขาเลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะเขาเลี้ยงไว้ก็คือในน้ํามันมีปลาก็เลี้ยงมันไปเสร็จแล้วเขาจะให้อาหารวันมันไม่ค่อยมากก็ถามว่าทําไมไม่ให้อาหารให้มันกินอิ่มเต็มเปี่ยมไปเลยล่ะเขาบอกไม่ได้ครับถ้าหากว่าให้อาหารมันมากเดี๋ยวมันจะเต็มบ่อผมหมดก็เลยให้อาหารแค่ไม่ตายก็พออันวันมันก็เอารำเอาอะไรไปโยนใส่ไม่มากสักกิโลเดียวก็พอเนี่ยนะปลาเป็นพันตัวนะ เอารำกิโลเดียวพอกลัวมันจะขยายพืชพันธุเอาไว้ในนั้นมากที่เหลือไปหากินเอาเองนะนี่พอเพราะมิจฉาทิฐิเนี่ยแล้วในโลกนี่นะมิจฉาทิฐิเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นทุกวันจะไม่มีคำว่าลดลงมิจฉาทิฐิจะลดลงต่อเมื่อมีาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิฐิ จ, จึงจะลดลงถ้าไม่มีาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิจฉาทิฐิจะไม่มีการลดลงมีแต่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นมีแต่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น วันทีฐิี่เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยแห่งวัฏตทุกข์ทั้งหลายตัวความเห็นตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความเห็นต่ออริยขัดแย้งต่อหลักอริยสัจความเห็นตัวมิจฉาทิฐิเครื่องวัดเนี่ยนะก็คือเห็นว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เห็นว่าเป็นขันอายตนะธาตุไม่ได้เห็นเป็นสัตว์จะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเมื่อไม่เห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นสัตว์ก็เลยถือว่าสัตว์นี้เที่ยงหรือศูนย์สัตว์นี้จะไปยังไง ก็ทีนี้พอสําคัญว่าเป็นสัตว์เข้าก็เรื่องทั้งหลายก็ตามมาว่าจะต้องจัดการกับสัตว์อย่างไรแก้ไขสัตว์อย่างไรเพราะในใจของเขาพื้นฐานมีอยู่แต่บนพื้นฐานความสําคัญว่าเป็นสัตว์ก็เลยบอกว่าสัตว์นี้เที่ยงบ้างสัตว์นี้ศูนย์บ้างนันะส่วนภิกษุซึ่งเป็นพระสาวเป็นสาวกคือผู้ฟังของพระพุทธเจ้ารู้ยิ่งซึ่งความข้อนี้ อย่างนี้แล้วย่อมแทงตลอดตัดใจอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนและว่างเปล่าว่วางเปล่าคือสุญญาตาเนี่ยนะบอกว่าภิกษุที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสาวกคือผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงผ้าอริยะฟังฟังแค่ไหนของเราก็ฟังชื่อว่าเป็นสาวกหรือยังยังเพราะไม่ได้ทำกิจที่สาวกที่ดีพึงทาสาวกที่ ท, ที่ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับพระโสดาบันขึ้นไป เพราะทํากิจในอริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าบอกจึงเรียกว่าเป็นสาวกเพราะฉะนั้นพระอริยาสาวกทั้งหลายเหลาเ่านี้ท่านรู้ยิ่งว่าอุปาทานขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐินามรูปเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิอาญตนา12เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิท่าสิบแเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิท่าสี่สเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่ง มิจฉาทิฏฐิท่านรู้ยิ่งเลยว่าอารมณ์เหล่านี้มันสะท้อนออกมาซึ่งทิฏฐิเครียกว่าอะไรเรียกว่าสังโยชนิยธรรมบ้างอันนสังโยชนิยธรรมบ้างอาสวัฐานิยธรรมบ้างอุปาธานิยธรรมบ้างเพราะขันห้าเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทิฏฐิถ้าใครไปดูสังยุตตนิกายขันธวรวรษชื่อว่าทิฏฐิสังยุตเนี่ยจะรู้ว่าสารพัมิจฉาทิฏฐิในโลกเกิดจากขันห้า ถ้าไม่มีขันก็ไม่มีทิฏฐิทิฏฐิทั้งหลายมีขันเป็นอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ของทิฏฐิคืออุปาทานขันทั้งหลายเพราะฉะผู้อริยาสาวกจึงแทงตลอดในอุปาทานขันห้าแทงตลอดในนามรูปแทงตลอดในขันห้ายตนะสิบสองท้าสิบแปดแทงตลอดอินทรีสัจจะปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งคําว่าลึกในที่นี้แปลว่า เป็นอารมณ์ของยานเท่านั้นคือถ้าสิ่งไม่ลึกณนะโทสะก็รู้ได้โมหะก็รู้ได้เช่นสีเนี่ยนะสีเนี่ยโทสะรู้สีไหมรู้โลพะรู้จักสีไหมรู้โมหะรู้จักสีไหมรู้มหากุูษ ญ, ญาณวิปยุตรู้จักสีไหมรู้แต่การวิจัยโดยรูปนามขันห้าอายตนะธาตุสัจจ์อินทร์ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของปัญญาอย่างเดียวที่ไปแทงตลอดแบบนั้น เพราะฉะนั้นถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของลึกซึ้งเพราะว่าเป็นอารัมมณะปัจจัยเฉพาะของปัญญาญาณของผู้มีปัญญาหรือว่ากุศลญาณสัมปยุทธเท่านั้นแหละจึงจะไปวิจัยสิ่งเหล่านี้ได้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ละเอียดอ่อนว่างเปล่าคือมันว่างจากอะไรบ้างว่างเนี่ยว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา นั้นใครที่จะเข้าใจในลักษณะนี้ได้ก็ถือว่าบุญเก่ามามากนะจึงจะเข้าใจเพราะว่าธรรมดาทั่วๆไปนะแค่อ่านให้รู้เรื่องก็ไม่ใช่ของง่ายนั้นวิสุทธิมรรคเล่มเล่มที่สามเนี่ยเป็นเล่มที่ปกติแล้วเป็นเล่มที่ปิดเข้ากรุบมากนะไม่ค่อยอ่านเพราะถือว่าปฏิบัติตามไม่ได้บ้างคือที่ไม่ได้ก็เพราะว่าอ่านแล้วไม่มีความเข้าใจ อ่าแล้วก็เข้าใจไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วมันมันทิฏฐิยังไงอะไรยังไงเป็นต้นเนี่ยนะเอาถ้าไม่มีเราแล้วอ่ะแล้วเราจะศึกษาธรรมะไปทําไมใช่ไหมเออเมื่อเราก็ไม่มีของเราก็มีใครก็ไม่มีไม่ใช่ของแล้วเราจะมาเพียรทําอะไรเนี่ยขยันทําไม่เราก็ไม่มีใช่ไหมก็เลยเบื่อเลยคันนี้เลิกเลยก็ไม่เห็นมีสัตว์มีบุคคลไม่เห็นมีอะไรสักอย่างไม่เห็นมีความเที่ยงความสุขยั่งยืนหากินเหล้าดีกว่าไงนะน ก็มันไม่มีอะไรอ่ะก็มันไม่มีอะไรใช่ไหมก็มันมีแต่นิจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นบางทีคําว่าอนัตตาเนี่นะคุยในวงสุราอนนะเออทําไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ไม่ทราบก็มันไม่เที่ยงอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเวลาไปทำบาปอะไรมาสักอย่างก็มันอนิจังทุกขังอนัตตาเราจะทําอะไรมันได้ใช่ไหมสมมติว่าไปทําอะไรสัชิบอเสียหายหมดเลยก็มันไม่เที่ยงอ่ะ ใก็มันอันนี้จังทุกขังอนัตตาล่ะนะไปฆ่าคนตายเอาก็เข้าไม่เที่ยงอะ่ะสัตว์เติดโตมาแล้วก็ตายเป็นธรรมดายอย่างน้นะอันนี้คือโลกของมิจฉาทิถีเนี่ยมัน ย, ยุ่งยายไปหมดเลยอ่าโดยสรุปว่าสิ่งเหล่านี้การที่จะวิจัยอย่างนี้นะเป็นเรื่องของปัญญาที่ลึกซึ้งนะทีนี้โดยสรุปสรุปว่ากรรมมีอยู่วิบากมีอยู่ แต่ทีนี้ในขณะเดียตัวกรรมนะมีอยู่วิบากก็มีอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะใช่ไแต่เป็นทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะกรรมนี้อยู่ในฝากฝ่ายแห่งสมุ ท, ทยัยวิบากเป็นทุกข์เนี่ยนะทีนี้สภาวะของกรรมเนี่ยนะไม่มีอยู่ในวิบากสภาวะของวิบากก็ไม่มีอยู่ในตัวกรรมทาทั้งสองว่างจากกันและกันคือไม่มีการสัมปยุตกัน กรรมก็อย่างหนึง่งวิบากก็อย่างนึงแต่เว้นกรรมเสียแล้วผลก็ไม่มีคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าอาต้นมะม่วงเนี่ยมันเติบโตมาจากอะไรนะเอ า, เอ า, เอามะม่วงโบราณหน่อยนะสมัยใหม่ไม่เอาไอตอนกิ่งไนมะ่เอาเอาเอาแบบปลูกเม็ดนะมะม่วงปลูกเม็ดเนี่ยสมมติว่าถามว่ า, ามะม่วงที่มาปลูกเยะเป็นลําต้นอย่างนี้เนี่ยอาศัยมเมล็ดใช่ไหมแล้วใน ในต้นมะม่วงมีเมล็ดอยู่ไหมมีหรือไม่มีไม่มีถ้าไม่มีเมล็ดมะม่วงจะโตขึ้นได้ไหมอ่าต้นมะม่วงจะงอกขึ้นไหมถ้าไม่มีเมล็ดเพราะฉะนั้นเมล็ดเป็นเหมือนกรรมต้นมะม่วงเหมือนผลของกรรำนะนะนั้นที่เมล็ดก็ไม่มีต้นอยู่แล้วถามว่าเอามะมล็ดมาผ่าดูสิลําต้นมันเป็นยังไงมาผ่าดูเออมะม่วงทรงนี้นะเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวย่อยเอ่อขออภัยนะวิชาทางแพทย์โบราณแพทย์โบราณ เขาเชื่อว่าในผู้ชายเนี่ยนะเชื้อของผู้ชายมีเด็กอยู่ในนั้นจริงๆอันนี้เนี่ยคือของของยุโรปะนะไม่ใช่ของสายไทยหรอกของสายโบราณพวกฝรั่งโบราณเขาถือว่าในน้ําเชื้อนี่มีเด็กอยู่ในนั้นเขาถือว่างั้นนะมันก็จะวาดรูปเด็กเอาไว้เนะเขามีทิฏฐิบางชุกเป็นอย่างนั้นนี่อันนี้ก็พูดอุปมาว่าบางคนไปถือว่ามีต้นไม้อยู่ในเมล็ดมีต้นไม้อยู่ในเมล็ดไหม ไม่มีแต่ว่าเมล็ดมาเพาะที่ดินรดน้ำเมล็ดอาศัยรด น, รน้าก็เลยงอกเป็นลำต้นเพราะฉะนั้นในต้นไม่มีเม็ดในเม็ดก็ไม่มีต้นแต่อาศัยเม็ดมาเพาะปลูกลำต้นก็เจริญเติบโตขึ้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองว่างจากกันและกันแต่ทีนี้ว่างแต่ถ้าไม่มีกรรมผลของกรรมก็ไม่มีเพราะมีกรรมนั่นแหละจึงมีผลของกรรม เปรียบเหมือนไฟไม่มีอยู่ในพระอาทิตย์ไม่มีอยู่ในแก้วมันีไม่มีอยู่ในก้อนโคไมไฟนั้นก็ไม่ได้อยู่ภายนอกของวัตถุเหล่านั้นแต่ว่าย่อมเกิดเครื่องสัมภาระทั้งหลายฉันใดอันนี้เหมือนเหมือนอย่างนี้นะว่าใครเคยสมัยเด็กเคยเอาไอ้กระจกอะไรนะเรียกกระจกอะไรนะที่มันหนาๆหน่อยนะไม่ใช่ไอไอไกระจกที่ไว้เลนอ่ะนะเป็นคเครียกอะไรนะเลนนูนอ่ะเลนนูนเลนแวาเนะี่ยเอาเนนเหล่าเนี้ย แล้วก็มีดวงอาทิตย์ส่องมาใช่ไหมแล้วก็เอาไปไให้ตำแหน่งของแสงเนี่ยตกที่กระดาษแล้วก็กระดาษก็ถูกเผาน่ะ ว, ว่นขยายนะนี้ถามว่าตัวไฟนี่อยู่ที่ดวงอาทิตย์ใช่ไหมอยู่ที่ที่แว่นขยายไหมหรืออยู่ที่กระดาษอ่ะแล้วตกลงไฟไม่มีหรือ ม, มียังไงก็อาศัยแสงแห่งดวงอาทิตย์ส่องลงมามี แว่นขยายแล้วก็แสงตกไปที่กระดาษเนี่ยนะได้ปัจจัยพร้อมไฟก็ลุกขึ้นเหมือนชันนั้นชันใดก็ดีวิบากก็ไม่มีอยู่ภายในกรรมไม่มีอยู่แม้ภายนอกกรรมกรรมก็ไม่มีอยู่ในวิบากนั้นนะสรุปว่ากรรมก็เว้นจากวิบากวิบากก็เว้นจากกรรมเพราะบางพวกเขาถือว่ากรรมนี่มันสะสมเอาไว้แล้วใช่ไหม พันมันสะสมอยู่ที่ไหนบอกอยู่ในชาวนะไงอย่างนั้นใช่ไหมอ้าวก็มันสะสมอยู่เป็นอนุสัยไงเนี่ยมันจึงมาให้ผลในตอนล้างได้ถ้าไม่สะสมอยู่มาให้ผลได้ยังไงเพราะมันสะสมอยู่ไงมันอยู่ที่จิตอ่ะมันอยู่ที่จิตอนะอ้าวไม่เคยได้ยินเหรอโยมว่เออลัทธินี้ก็มีอยู่ในโลกไม่แปลกอะไรนะว่ากรรมมีบางพวกก็ถือว่ากรรมมีอยู่ในวิบากวิบากก็มีอยู่ใน แต่สภาวะจริงแท้กรรมเมื่อทําเมื่อหลายกลับที่แล้วมันอยู่ที่ไหนเออแต่กรรมเหล่านั้นก็ยังเป็นปัจจัยให้มีผลได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมนั้นว่างเปล่าจากผลผลก็ไม่มีอยู่ในกรรมแต่ว่าเพราะอาศัยกรรมแลผลจึงบังเกิดได้ฉะนั้นอย่างสมมุติว่าจักขู่วิญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน ะ, ะเป็นผลของกรรมก็จริงแต่ถ้าไม่มีตาไม่มีสีไม่มีแสงสว่างไม่มีมนัสการ ไม่มีจักครูวิญญาณจะเกิดได้ไหมทีนี้เอาตาก็มีอยู่สีก็มีอยู่แสงก็มีอยู่มนัสิการก็มีอยู่ถ้าไม่ได้ทำกรรมเอาไว้คิดว่าจะได้เห็นไหมไม่ได้เห็นว่าหลับตาเฉยอย่างเงี้ยเออตาก็มีใช่หมแต่ถ้ากรรมไม่ให้ผลนี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเพราะบางทีจใจลอยไปเรื่องอื่นแทนะนะโสตาวิญญาณเลยจักครูวิญญาณเลยเกิดไม่ได้ กรรมนั้นว่างเปล่าจากผลผลก็ไม่มีอยู่ในกรรมแต่ว่าเพราะอาศัยกรรมแลผลจึงบังเกิดได้ฉะนั้นจึิงอยู่ความเป็นไตแห่งสังสารวัตนี้เทวดาหรือว่าพรหมผู้สร้างสังสารวัตหามีไม น, นะท่านต้องการปฏิเสธลัทธิผู้สร้างมีแต่ธรรมะล้วนๆธรรมะหมายคำว่าธรรมะคือธรรมะคือกรรมธรรมะคือวิบาก วิปากาธรรมาวิปากธรรมมาธรรมาเนวะวิปากะนะวิปากธรรมมาธรรมาเนี่ยนะวิบากมีอยู่อ่านะอะไรใช่ไหมอะไรนะเอาใหม่นะติกะอะไรนั่นเองเอาวิปากาธรรมาเนี่ยนะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นวิบากมีอยู่วิปากธรรมธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีอยู่เนวะวิปากะนะวิปากธรรมมาธรรมมา สภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ทั้งวิบากไม่ใช่ทั้งตัวที่ทำให้เกิดวิบากมีอยู่อันนี้นี่คือลักษณะคำสอนพระพุทธเจ้าเอาเป็นอย่างนั้นเพราะจึงมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆที่เป็นไปเพราะสัมภาระแห่งเหตุและปัจจัยนะสัมภาระแห่งเหตุเป็นปัจจัยก็คือเนี่ยระบบเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะ อวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจยาบิญยานังเป็นต้นเนี่ยลักษณะพูทธศาสนาเป็นอย่างนี้เห็นอีทางสติอีทางหูติเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนะถามวชารามมรณะเหล่านี้มาจากไหนช า, ชาติชาติมาจากไหนพบพบมาจากไหนปาทานอุปาทานมาจากไหนตันหาตันหามาจากไหนเวทนาเวทนามาจากไหนภาษาภาษามาจากไหน สลายยตนาสลายตนะาตนมาจากไหนนามรูปนามรูปมาจากไหนวิญญาณวิญญาณมาจากไหนสังขารสังขารมาจากไหนอวิชชาเออไม่รู้อย่างเดียวเลยได้ชราเลยนะอันนี้จะจ่ายความไม่รู้ได้ได้รับผลก็ออกมาก็คือชราและมรณะไม่รู้อย่างเดียวก็สร้างชราและมรณะเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบสรุปเนี่ยนะก็คืออย่างที่พระองค์ตัดไว้ในอนมัมตะฆะสังยุตเนี่ยนะ สังยุตว่าด้วยเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งสังสารวัตไม่มีที่สุดเนี่ยกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นคือมีอวิชาเป็นนิวรณ์มีตันหาเป็นเครื่องร้อยเครื่องรัดเนี่ยนะเครื่องผูกเครื่องมัดเป็นสังโยชน์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นอย่างนี้ก็เลยอะไรท่องเที่ยวไปในวะัตะัคือในโลกของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะอย่างสังขารของเราทั้งหลายเอาเอาเฉพาะนะเพราะผู้ศาสนาถือกรรมสกตาใช่ไหม เราไม่เคยมีอารยมรรคปัญญาสอดส่องในสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อไม่มีอารยมรรคปัญญาสอดส่องในสิ่งเหล่านี้เลย อ, นนเ อ, อันนั่นเป็นอวิชชาอันนั้นเป็นอวิชชาเราไม่เคยรู้สึกว่าขันห้ามันน่ารังเกียจเลยด้วยอํานาจวิปัสสนาระดับสูงเนี่ยนะก็เลยเป็นตันหาเพระนั้นเขาจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายรักตัวกลัวตายเขาบอกว่าอ้าวนรกหน้าปราถนาหรือไม่ชอบไม่ในนรก ชอบอยู่ในนรกไหมไม่ชอบสัตว์นรกเนี่ยเวลาเห็นยมพบาลมานะนายนิยบาลมาเนี่ยแอบอกรับเลยใช่ไหมไม่วิ่งหนีก็เจิงไปหมดเลยครับแม้แต่ชีวิตของสัตว์นรกยังรักเลยนะคนใกล้จะตายเนี่ยนะเวลาถูกเข้ามายิงเนะยังตะกุยตะกายหนีนะทั้งที่ไม่รู้ว่ายัางไงตัวก็จะต้องตายอย่างนั้นก็ยังตะกุยตะกายหนีเคยเห็นสุนัขถูกรถทับไหมนะขนาดนั้นมันยังตะกุยตะกายหนีและไอ้ความรักนะความรักตัว คนเป็นอมพาสยังกูตายเลยเหมือนกันเถอะสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักตัวมากจะอยู่ในสภาพไหนเขาก็ยังรักของเขาอ่ะนะเหมือนอย่างว่าของเล่นแม้กระทั่งเอาก้อนดินเนี่ยมาปั้นๆเด็กก็ยังหวงแหนฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีตัณหาเป็นสังโยชน์ก็ยินดีติดข้องติดพันไปหมดเลยติดพันไปหมดเลยเมื่อติดพันแล้วอ่ะนะก็ผูกพันอริยสัตว์ก็ไม่เห็น ยินดีในอุปาทานขันห้าก็ยินดีก็เลยพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าก็เปรียบเทียบบอกว่าสิ่งที่น่าจะมีอยู่ไม่มากในร่างกายคือน้ําตาแต่ว่าน้ําตาที่หลั่งออกมามากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันจึงมากขนาดนั้นนะมันใครท่องอาการสามสิบสองมาแล้วเนี่ยบอกว่าท่าน้ําตาเนะี่ยยังมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรนะแล้วกระดูกเรานี่น่าจะเยอะกว่าแผ่นดินหลายสิบเท่านะนะกรองก้อนกระดูกเนี่ยนะ เส้นผมของเราเนี่ยสงสัยพันุโลกได้ไม่รู้กี่ร้อยรอบเนาะเส้นผมที่ในวัฏฏะที่เกิดมาเนี่ยนะทั้งผมหยิกไม่หยิกทั้งผมหงอกไม่หงอกเป็นต้นผมสารพัดประเภทที่เกิดมาในโลกทสงสายพันธุโลกได้ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนื้อของเราเนี่ยสงสัยเป็นแบบพื้นดินไปหมดเลยนะเดินเหยียบเป็นเนื้อตัวเองอะนั่งทับเนื้อตัวเองนั่งนอนทับเนื้อตัวเองอยู่นั่นแหละแต่ก็จริงนะก็มีอยู่สูตรหนึ่งอะนะที่มีพรามคนหนึ่งอะนะแต่พรามคนนี้ก็บอกลูกชายเขาลูก ถ้าพ่อตายนะั้นลูกต้องเอาพ่อไปฝังในที่ที่ไม่เคยมีใครฝังเลยบอกพ่อที่ไหนที่ไหนพ่อก็บอกโน้นซอกเขาโน้นอ่ะพ่อพาไปดูหน่อยก็เลยพ่อเนี้ยรู้ว่ายังไงตัวก็ต้องตายแล้วก็เลยไปบอก uk, ลูกลูกเนี่ยตรงเนี้ยไม่เคยมีใครถูกฝังเลยนะลูกมาฝังพ่อตรงนี้นะครับพ่อก็เลยคุยกันรู้เรื่องก็ ล, ลงจากเขาพุทธเจ้าก็มาดักรอไปไหนมาก็บอกว่าไปบอกที่ให้ลูกฝังเวลาตายแล้วให้ไปฝังไว้ตรงนั้นเพราะไม่เคยมีใครฝังเลย องก็บอกว่าเออเนี่ยนะเธอคนเดียวก็ถูกฝังตรงนั้นแปดหมื่นสี่พันครั้งมาแล้วเนี่ยนะนี่คนเดียวนะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเนี่ยนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะลูกเขาชื่อชีวาแปลว่ามีชีวิตตายไปแล้วรลูกตายก็ไปร้องให้ป่าช้าทุกวันทุกวันชีวามาหาลูกนะเคยเห็นไหมคนตายไปร้องหาลูกงนะั้นไอ้คนพ่อพ่อแม่ของลูกอะนะไปร้องหาลูกทุกวันเนี่ยนะเคยเห็นไหมมาเธอไปไหนลูกเ อ, อ้ยเนี่ยนะก็ไปร้องค่ําครวญอยู่นั่นแหละ ปุถุชนิก็ไปบอกว่าเธอมาทําไมบอกมาร้องหาลูกบอกงั้นลูกเธอชื่ออะไรบอกชีวาลูกคนนี้ชื่อนี้นะตายมาแล้ว8ปดหมี่พันครั้งอยู่แถวเนี้ยเธอร้องหาลูกคนไหนดีะนะก็คือลูกชื่อเดียวกันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันนะลูกชื่อเดียวกันของเธอในอดีตอันยาวนานเนี่ยตายแล้วมาทิ้งตรงนี้8ปดหม่นสี่พคนแล้วเธอจะร้องหาลูกคนไหนดีเอาคนไหนดีไอคนที่กําลังตายหยกหยกนี่แหละนะ เดี๋ยวอไม่นานลูกคนใหม่ก็มาร้องต่อไปอี ก, ก น, นะเพราะนี่ขนาดล้ําตาเราหลังขนาดนี้นะก็เสียใจเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฟันของเราถ้าเก็บไว้ทุกซี่ทุกซี่ทุกพบทุกชาติเนี่ยนะสงสัยจะได้หลายประเภทใช่ไหมบางชาติก็เป็นงาบ้างยาวเงีวบางชาติก็เป็นเขี้ยวแบบเคี้ยวเสือบางบางชาติก็เป็นแบบเขี้ยวหมูบางชาติก็แบบเป็นฟันปลาเนี่ยนะโอ้สงสัยพิลึกหน้าดูเลยนะถ้าเก็บเอาไว้หมดเอาไว้หมดทุกพบทุกชาติเนี่ยนะพูดอย่างนี้ก็ยังไม่เบื่อนะเชื่อ สรุปว่าวัาตถะทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้นี่แหละนะมีแต่ธรรมะรุ่นๆที่เป็นไปเพราะว่าไม่มีอริยมรรคปัญญาไม่มีวิปัสสนาปัญญาที่จะไปวิจัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยทุกเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยโทษเมื่อพระโยคาวจรนั้นทําการกําหนดปัจจัยของนามรูปด้วยสามาทแห่งกรรมวัฏและวิปากวัจนละวิจิกิจฉาในการทั้งสามได้อย่างนี้ <popping irregular. S 2> ทำทั้งหลายทั้งปวงอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมเป็นอันปรากฏด้วยอํานาจจุติและปฏิสนธิข้อนั้นจะเป็นยาตะปริญญาของเธอมันถ้าเคยมีผู้ถามว่ายาตะปริญญานี้ต้องทําแค่ไหนคําตอบก็คือต้องทําจนสามารถรู้จุติและปฏิสนธิหรือผู้ถามว่ากําหนดปัจจัยนี้ต้องกําหนดแค่ไหนกําหนดจนมองจุติและปฏิสนธิออกเนี่ยจึงจะเรียกว่าผู้เข้าใจเรื่องปัจจัยนะ ว่าหลักการจุติปฏิสนที่เป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่าพระโยคาวจรนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าขันทั้งหลายเหล่าใดในอดีตที่บังเกิดแล้วเพราะกรรมเป็นปัจจัยขันเหล่านั้นย่อมดับไปในอดีตนั่นแหละสรุปนะว่าชาติที่แล้วนะที่เกิดมาเนี่ยนะก็ตายหมดแล้วในชาติในอดีตเคยมีบางคนก็บอกว่าเออเรื่องเนี้มันเกิดเมื่อสามสิบห้าปีมาแล้วเงี้ยนะ เรื่องนี้เกิดเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยของมาบอกโอ้ยตอนนั้นของมายังไม่ตายเลยต้องสายตอนนั้นแก่เต็มทีแล้วมั้งนะเกือบจะตายแล้วนะสรุปว่าคืออดีตขันอดีตชาติชาติที่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ตายทิ้งทําลายในชาติที่แล้วนั่นแหละส่วนขันเหล่าอื่นเพราะฉะนั้นไอขันชาติที่แล้วกับขันในชาตินี้คนละขันกันใช่ไหมก็คนละขันห้ากัน ขันเราอื่นในภ พ, พนี้ที่บังเกิดเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแม้ทําำศักอย่างหนึ่งที่มาจากภ พ, พในอดีตมาสู่ภ พ, พนี้หามีไหมมีผมติดมาสักจุกไหมของชาติที่แล้วไม่มีมีขนออกมาไหมผมของขนของชาติที่แล้วนะมาสู่ชาตินี้มีไหมไม่มีเอาเล็บของชาติที่แล้วมาบ้างไหมไม่มีเอาฟันของชาติที่แล้วมีไหมเอาผิวหนังของชาติที่แล้วมาด้วยไหม ไม่ไดเอามาเลยสรุว่าผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของชาติที่แล้วไม่ได้พกมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะอะไรเพราะมันดับไปหมดแล้วในชาตินั้นว่าชาตินี้ก็มาหาเอาใหม่ใช่ไหมหาจากอะไรหาจากข้าวสุกขนมสดเป็นต้นก็พ่อพูนเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขันทั้งหลายแม้ในภพนี้ที่บังเกิดแล้วเพราะกรรมเป็นปัจจัยก็จะดับขันอื่นจากบังเกิดในภพใหม่แม้ธรรมะสักอย่างหนึ่งจากไม่ ไปจากภพนี้สู่ภพใหม่เอาไหมเอาผมไปด้วยสักจุกหนึ่งเอาฟันไปด้วยเอาไหมเอาฟันชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าขนอขนเล็บเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกะนะไม่เอาใช่ไหมน่าจะเอานะอุตส่ารักษุถ น, นอมหวงแหงมากเลยใช่ไชาติหน้าน่าจะเอาไปใช้ต่อเองเงี้ยไม่เอาอีกสรุปว่าขันธาตุอายตนะในชาติที่แล้วก็ดับหมดสิ้นแตกทำลายไม่มีเหลือในชาติที่แล้ว สรุปขันห้าในชาตินี้ก็จะแตกแตกดับทําลายอยู่ในชาตินี้นี่แหละจะไม่เลยไปหาพบใหม่ั้นแสดงแบ่งชีวิตเป็นสามชาติทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่เรื่องว่าเอาเมื่อขันในอดีตมันหมดไปแล้วในอดีตขันปัจจุบันก็หมดอยู่ในปัจจุบันขันอนาคตขันนี้ก็ไม่ได้ไปหาขันในอนาคตแล้วมันเชื่อมต่อกันยังไงจากจุติไปปฏิสนธิเนี่ยนะมันเชื่อมกันยังไง อย่างชาตินี้ไปสู่ชาติหน้ามันเชื่อมต่อกันไปได้อย่างไงท่านก็มีการอุปมาให้เราเห็นชัดเพราะว่าบุคคลวินยูชนในโลกนี้จะเพ่งทราบเนื้อความได้ด้วยอุปมาว่าเปรียบเหมือนว่าการสาธยายมนจากปากของอาจารย์จะเข้าไปยังปากของอันเตวาสิกก็หาไม่แต่ว่าการสาธยายมน์ที่ปากของอันเตวาสิกนั้นจะไม่เป็นไปเพราะการสาธยายที่ปากของอาจารย์นั้นเป็นปัจจัยก็หาไม่ คิดง่ายๆอย่างงี้ใช่ไหมแบบท่องหนังสือโบราณเนี่ยนะก็ต้องออ ว, ว่าตามทีละคำทีละคาทีละคำนะเอาว่าคําของปากอาจารย์นี่ไปอ้าอยู่ที่ปากของสิทธ์ด้วยไหมไม่ล่ะแล้วปากของสิทธ์ที่ท่องออกมาเนี่ยอออกมาจากปากอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์สาทะยายแล้วก็หุบปากลงแล้วสิทธ์ก็สาธยายต่อแล้วอันนี้มันเชื่อมต่อกันได้ยังไงเชื่อมต่อกันยังไงแบบมุขปาฐะเนี่ยนะ อา้าวนักเรียนทั้งหลายจงว่าตามเนี่ยนะโกอากาอย่างไรสมมตินะอาแล้วอา้าวกอากาเนี่ยอะเด็กก็ว่าตามเนี่ยนะถามว่าอา้าวแล้วคําเหล่าเนี้ปากของอาจารย์เนี่ยไปไปติดอยู่ที่ปากของสิทธิ์ไหมสิทธิ์จึงว่าตามได้อล้วมันต่อกันยังไงในความเป็นปัจจัยในความเป็นปัจจัยอันี้อีกอุปมาหนึ่งนะอ้าแบบโบราณเนี่ยเขาชอบไปรักษาคนป่วยด้วยน้ํามนตเนี่ยเขาบอกว่า น้ำมนที่ตัวแทนดื่มเข้าไปจะเข้าไปยังท้องของคนมีโรคก็หาไม่แต่ว่าโรคของเขาจะไม่หายเพราะน้ำมนที่ตัวแทนดื่มนั้นเป็นปัจจัยก็หาไม่คืออย่างนี้สมมติว่ามีคนหนึ่งป่วยป่วยอยู่บ้านป่วยด้วยโรคบางอย่างเช่นป่วยเพราะผีเข้าเป็นต้นน่ี่คนหนึ่งก็เลยไปหาหมอหมอผีเหมือนกันเนี่ยหมอช่วยรักษาคนป่วยคนนั้นด้วยมันป่วยเพราะอย่างนี้อย่างนี้อ้าว หมอพีก็เลยสาทยายคาถาใหญ่เลยก็เป่าน้ำมนต์อ้าวแกดื่มดื่มหน่อยพราะดื่มเสร็จไอคนนั้นหายป่วยเลยอย่างเงี้ยอนะในในโลกของไสยศาสตร์จริงๆแล้วเป็นลักษณะนั้นทีนี้ก็ถามว่าเอ้ยไอคนที่ดื่มมันก็ไม่เห็นเข้าท้องไอคนป่วยอะไรเลยนะแต่จะว่าไม่หายป่วยมันก็ไม่ใช่มันก็หายป่วยอะ่ะการจัดแจงแต่งที่หน้าย่อมไม่ไปถึงเงาหน้าในกระจกนนที่เครื่องส่องนะนะมีแผ่นกระจกเป็นต้น แต่งหน้าเนี่ยนะสมมติเราก็แต่งที่หน้าเราทําไมในกระจกเหมือนแต่งตัวตามไปด้วยนะแต่งหน้าเราแต่งต้องแต่งหน้าในกระจกด้วยอีกคนหนึ่งไหมทําไมอ่ะแต่การจัดแจงแต่งหน้าจะไม่ปรากฏที่เครื่องส่องหน้าคือกระจกเหล่านั้นเพราะเงาหน้าที่เครื่องส่องหน้านั้นเป็นปัจจัยก็หาไม่ก็ดยเราก็แต่งหน้าของเรานะเช่นเอาแป้งมาปัดหน้าเนี่ยนะเนี่ยทาไมในกระจกเขาก็แต่งตามด้วยไอเจะว่า จะว่าเอาไปแต่งให้รูปในกระจกก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ทําไมแต่งที่หน้าตัวเองแล้วจึงไปมีเงาที่ในกระจกล่ะอันนี้อีกนายหนึ่งนะอีกนายหนึ่งเปลวประทีปที่เกลียวไส้อันหนึ่งย่อมไม่เคลื่อนไปสู่เกลียวไส้อันอื่นแต่เปลวประทีปจะไม่บังเกิดที่เกลียวไส้อันอื่นเพราะเปลวประทีปที่เกลียวไส้อันนั้นเป็นปัจจัยก็หามไม่ฉันใดคือแต่ละเกลียวนะไฟที่ไหมของอะไรก็ดับที่อันนั้นแหละแต่ว่า ก่อนที่มันจะดับมันก็เป็นเชื้อให้ให้ต่อต่อกันไปอย่างนี้นะธรรมะอะไรๆจะเคลื่อนจะพภอดีตมาสู่พบนี้หรือจากพบนี้ไปสู่พบใหม่ก็หาไม่เพราะฉะนั้นอะไรอะไรของชาติที่แล้วนะมันไหลมาแบบไหลมาสู่ชาตินี้ก็ไม่มีของชาตินี้จะไหลไปสู่ชาติใหม่ก็ไม่มีตามสภาวะธรรมคือหลักการของผู้าศาสนาว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดที่ใดหมดที่นั่นนะ สภาวะธรรมทั้งหลายเกิดในภ พ, บพบใดหมดในภพนั้นจะไม่มีการเคลื่อนย้ายจากภพหนึ่งสู่อีกภพหนึ่งเลยแต่ว่าขันอาญตนะและถ้าทั้งหลายในภพนี้จะไม่บังเกิดเพราะขันอาญตนะและถ้าทั้งหลายในอดีตภพเป็นปัจจัยก็หามไม่ใช่ไหมขันท่าอาญตนะในชาตินี้นะปฏิเสธชาติที่แล้วได้ไหม ผลพวงที่มีอยู่ในชาตินี้ปฏิเสธผลพวงของชาติจากชาติที่แล้วไม่ได้แล้วชาติใหม่ต่อๆไปปฏิเสธเหตุชาตินี้ได้ไหมไม่ได้หรือว่าขันอายตนะและา่าทั้งหลายในภพใหม่จะไม่บังเกิดเพราะขันอายตนะและท่าทั้งหลายในภพนี้เป็นปัจจัยก็หาไม่ฉะนั้นเหมือนกันทีนี้ท่านก็อุปมาอุปมาเหมือนอะไรเหมือนจักรคู่ทวารวิถีจิตจักรคูทวารวิถีจิตเนี่ยนะเกิดยังไง หลักการก็มีว่าอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณแต่จากขูวิญญาณที่สังเกิดขึ้นตัวปัจจยัยสำคัญมากเลยคืออาวชนะเมื่ออาวชนะเกิดขึ้นแล้วดับไปจากขูวิญญาณจึงเกิดเมื่ออนะจากขูวิญญาณที่ดับไปก็เป็นอนันตระปัจจัยให้แก่สัมปติชนะสัมปติชนะที่ดับไปนั้นก็เป็นปัจจัยแก่สันติรณะสันติรณะที่ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่โวัฏพนะวัฏพนะที่ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่ชาวะดวงที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะ ก็บอกว่าจักคูวิญญาณย่อมมีในลำดับแห่งมโนธาตุมิได้มาจากมโนธาตุมันคลอดออกมาจากมโนธาตุไหมคือคลอดออกมาจากจักคูทวาราวัชณะไหมไม่ได้คลอดออกมาทั้งจะไม่บังเกิดในลำดับแห่งมโนธาตุก็หาไม่เพราะจักคูวิญญาณนีจะต้องเกิดตามเกิดโดยลำดับต่อจากมโนธาตุมโนธาตุเป็นชาติอะไรกิริยาจักคูวิญญาณเป็นชาติวิบาก วิบากตัวนั้นไม่ได้คลอดออกมาจากชาติกิริยาแต่ชาติกิริยาเป็นปัจจัยแก่ชาติวิบากด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยเนี่ยนะฉันใดก็ดีความสืบต่อแห่งจิตย่อมเป็นไปในขณะปฏิสนธินะจิตดวงก่อนย่อมแตกดับไปคือจุติจิตแตกดับไปจิตดวงหลังก็เกิดขึ้นต่อจากจิตดวงก่อนดวงนั้นเพราะฉะนั้นในจุติจิตกับปฏิสนธิจิตมันคนละเรื่องกันเลย เช่นง่ายๆว่าจุติจิตของมนุษย์ปฏิสนธิในนรกเนี่ยอันเดียวกันหมดไหมไม่ใช่เพราะจุติของมนุษย์เป็นชาติวิบากปฏิสนธิของนรกเป็นชาติวิบากแต่คนละผลก่อนผลละผลกรรมเลยเช่นว่าปฏิสนธิในนรกเนี่ยนะมีโทสะเป็นนานักขะคณิกะกรร ม, มปัจจัยหรือมีโลภะเป็น น, นานักขะคณิกะกรร ม, มปัจจัยทีนี้จุติจิตของมนุษย์มีอะไรเป็นปัจจัย มีมหากุศลเป็นปัจจัยเพราะมันไม่ได้มันคนละอย่างกันอ่ะมันคนละอันกันเลยอ่ะแต่ขณะนั้นบางท่านก็บอกว่ามันไหลไปด้วยกันน่ยนะนะเขาเขาไม่รู้ว่าถือหลักอะไรมาไม่ทราบว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันไหลต่อๆๆต่อกันไปนี่ไงมันมันอยู่ในนั้นแหละบางพวกก็เลยเลยแปว่าอนุสัยมันอยู่ในนั้นด้วยอนะอนุสัยมันก็ไหลไปตามจิตทั้งทั้งที่มันคนละเรื่องกันเลยอย่างเช่นว่ามหาวิบาศกของมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรเป็นผลของมหากุศล แล้วเจตสิกมีอะไรประกอบบ้างก็ตามหลักแล้วสมมติว่าปฏิสนธิในนรกล่ะก็เป็นผลของโทสะเป็นผลของโลภะแล้วมีเจตสิกประกอบแค่สิบดวงนะมันคนละอย่างสิบหรือสิบเอ็ดสันติอุเบคาสันติรณะมีจิตเจตสิกประกอบกี่ดวงสิบอ็ดดวงไหมสิบดวงนะคืออะไรวิตกวิจารณ์และอธิโมกสัพจิตตาสาธารณเจตสิกอีกเจ ก็บวกวิตกวิจารณทิโมกเป็นสิบมีวิริยะด้วยหรอไม่มีหรอกเพราะมันคนละอย่างกันเลยสมมุติถ้าผู้ที่จุติจากนรกแล้วปฏิสนธิในเทวดาสมมุติอย่างยกกรณีนางพนางมาริกาเนี่นะนางจุติจากอเวจีแล้วมาปฏิสนธิในเทวดาที่ปฏิสนธิในนรกเพราะผลของมูสาวาตมูสาวาตเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในนรก มหากุศลอย่างอื่นเนี่ยทำให้ปฏิสนธิในเทวดาทีนี้ไอ้จุติจากนรกแล้วปฏิสนธิในเทวดาเนี่ยมันไหลมาหากันยังไงก็จุติจิต ด, ดับไปเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยให้แก่ปฏิสนธิจิตในพบใหม่มันไม่มีการโอนถ่ายอำนาจอะไรกันเลยนะไม่มีการโอนถ่ายอำนาจนะถ้ามีการโอนถ่ายได้จริง จติจากมนุษย์จะไปตกนรกได้ยังไงใช่ไหมมันจึงไม่มีการโอนถ่ายกันเพราะถ้ามีการโอนถ่ายกันได้นะถ้าจุติจากนรกมันต้องมีเชื้อของสัตว์นรกไปอยู่ที่สวรรค์ด้วยแต่นี้ไม่มีเนยมันไม่มีการโอนถ่ายกันเพราะจิตทั้งหลายเกิดที่ใดดับที่นั่นแต่เพราะปัจจัยทั้งหลายก็อย่างว่านะใครที่ศึกษาชาติของปัจจัยก็ตั้งแต่สหาชาติชาติก็เฉพาะในดวงเดียวกันใช่ อนันตรชาติดวงที่ดับไปแล้วนัดวงใหม่จึงเกิดขึ้นดวงที่ดับไปแล้วดวงใหม่จึงเกิดขึ้นทีนี้ทำที่อยู่ในระหว่างจิตสองดวงเหล่านั้นก็ไม่มี น, นะเขามีอาจารย์คนหนึ่งตายไปแล้วเขาถือว่าไอ้อนุสัยเนี่ยมันอยู่ระหว่างจิตเอจิตสมมุติว่าอะไรนะอย่างยกตัวอย่างว่าชาวนะดวงที่หนึ่งกับดวงที่สเนี่ยอนุใสมันอยู่ตรงกลาง มันอยู่ในช่องว่างๆตรงนั้นแหละเออว่าอย่างงี้ก็ว่าได้นะไม่รู้ว่ามาจากไหนอกีกะทั้งๆที่คัมภีท่านก็ปฏิเสธปฏิเสธอะไรอย่างนั้นไม่มีหรอกแต่เขามาเล้วมันอยู่ช่องว่างนั่นแหละเพราะมันนอนอยู่ไงมันนอนอยู่ระหว่างระหว่างจิตนั่นแหละว่า อ, อนุสัยนี่มันไปแทรกได้ทุกทุกแห่งเลยนะจริงๆแบบนั้นหลักการอันนั้นไม่มีหรอกเป็นแต่ความคิดเออเป็นแต่ทิฏฐิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาว่ามันนอนเนื่องอยู่ระหว่างจิต บางคนบอกมันนอนอยู่ในจิตจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าปฏิสนธิจิตมีอนุสัยหรือไม่ถ้าบอกว่าสหชาตานุสัยไม่มีใช่ไหมแต่ปฏิสนธิจิตเป็นอารมณ์ของอนุสัยได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตจึงเป็นได้โดยอารัมมานุสัยเพราะปฏิสนธิจิตยังเป็นอารมณ์ของโลภะภวะกันติอยู่ ใช่ไหมเพราะวิธีแรกนี่จะต้องเป็นโลภะพวนิกันติที่ยึดในปฏิสนธินั่นแหละเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตนี่เป็นอารมณนานุใสแกแกโลภะวันติอ่าโลภะพวนิกันติเนี่ยนะโดยอารมณ์ไม่ใช่โดยสหาชาตาิธรรมเพราะปฏิสนธิจิตนั้นดับไปแล้วแล้วก็ผวังเกิดสืบต่อแล้ววิถีจิตคือภวะโลภนิกันติเกิดขึ้น หน่วงเอาปฏิสนธินั่นแหละเป็นอารมณ์อย่างนี้ปฏิสนธินั้นจึงเป็นอารัมมานุสัยเคราะเป็นที่เขาบอกว่าชาวนะวิถีแรกของสัตว์ทุกพบไม่เว้นแม้แต่สุทธาวาสพรมก็ต้องมีโลภะภวิการติชอบปฏิสนธิจิตเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดโดยที่สุดแม้สัตว์ตรนรกนะสัตว์นรกเนี่ยพอปฏิสนธิในนรกภาพเนี่ยนะวิถีแรกเนี่ยจะต้องยึดปฏิสนธิจิตอ น, นันต์ก่อน เสร็จแล้วก็พ อ, พอจักขูวิญญาณ ร, รมกิจเข้าเอาวนี่มันไฟนะรกชับๆเลยอะไรเงี้ย น, นะแล้วก็ทวานหูก็ได้ยินแต่เสียงที่น่ากลัวดังนั้นสรุปว่าปฏิสนธิจิตไม่มีอนุสัยอยู่ในนั้นเลยโดยสหาชาตธรรมนะไม่มีเลยอนุสัยเป็นกุศลหรือ อ, อกุศลอกุศลเนี่ยนะมีอารมณ์หรือไม่มีมีอ่าก็เพราะอนุสัยเกิดร่วมกับอารมณ์ แล้วเกิดร่วมกับเหตุหรือไม่มีเหตุเหตุตุกะ์เสหตุกะหรืออหิตุกะ์เสหตุกข์เสหตุกะแปลว่ามีเหตุแต่ก็มีอวิชานุสัยเนี่ยนะที่เป็นอหิตุกะอวิชานุสัยที่ในโมหะมูลจิตเป็นอหิตุกะแต่ตัวเขาเองเป็นเหตุตัปัจใช่ไหมแต่เขาไม่ได้มีเหตุอื่นสัมปยุตเลยเออเดี๋ยวยุ่งมากไปเอาไปก่อนถ้าใครที่เรียนปัจจัยมาไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหม ไม่ได้เรียนปัจจัยมายิ่งฟังมากบอกไม่รู้ท่านพูดเรื่องอะไรที่ไหนก็ไม่รู้นะหวังว่าคงไม่ป่วยกันนะ